Book 2 8ปดอ o ņ ต v ē l เวลา k rab. s t e สต laiki k ลค์กี้ขอโทษครับอัตไวน์นวยยต์ลูดุกี่โมงแล้วครับซิกลูดุอิรปุตน ขอบคุณมากครับ l e s p a l d i e s มันเป็นเวลาหนึ่งนาฬิกา Pulkstenis Irviens มันเป็นเวลาสองนาฬิกา Pulkstenis Irdivi มันเป็นเวลาสามนาฬิกา Pulkstenis Irtrees มันเป็นเวลาสี sure sure sure ่นาฬิกาปกสเตนิสอิร์ิมันเป็นเวลาห้านาฬิกาปกสเตนิสอิรเมันเป็นเวลาหกนาฬิกาปกสเตนิสอิรเมันเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกา พุกสตีนิสอิรเซพติญีมันเป็นเวลาแปดนาฬิกาพุกสตีนิสอิรตมันเป็นเวลาเก้านาฬิกา n i ก i ต d น v i อ i เดมันเป็นเวลาสิบนาฬิกาพุกสตีนิสอเดส มันเป็นเวล า, า, า, าลสิบเอ็ดนาฬิกาอมันเป็นเวลาสิบสองนาฬิกาปุ๊กสแตนิสอิรดิวปัสมิหนึ่งนาทีมีหกสิบวินาทีไมนูตเนตอิรเซจมหนึ่งชั่วโมง มีหกสิบนาทีตุนดอเซสมมตสหนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมงเดนักตีอดิสมตรสตส